ดูมันอย่างที่มันเป็นนะคะว่ามันจะเกิดความรู้สึกอ่ชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าความทุกข์อะไรก็รู้สึกว่าเออคือพยายามอะไรก็ไม่ได้หยุดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็มาช่างมันก็ก็ช่างมันอยากไม่อยากคือทุกข์นะใช่ไหมหรือว่าไม่หยุดไม่หยุดก็ช่างมันจะอยากจะหยุดก็ช่างมันก็เลย แต่มันก็มีหลงไปคลุกไปหมกมุ่นคล้นคิดอะค่ะแต่ว่าพ อ, อาพอพ อ, พอคิดไปคิดมาก็ช่างช่างช่างมันไม่มองมันอย่างที่ว่าเอิมเป็นเงี้ยมันอยากเป็นอะไรก็เป็นไปเพราะว่าทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะอยากจะหยุดก็หยุดไม่ได้ทำก็ผิดเหมือนกันหยุดก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถูกก็เลย ไี่เอารู้ยก็ทั้งมันน ะ, ะแล้วก็แล้วก็เห็นว่าเออทุกครั้งทุกทุกเออ่ออถ้าจะทุกทุกอาการที่รู้เนี่ยมันมีเราไปรู้ตลอดเลยอ่ะคะ่ะก็ก็เออก็แต่รู้ว่ารู้แล้วเออในมันมีแต่มันมีมันมีเรามันมีเราอยู่ตลอดเวลาที่ที่ที่ไปรู้อะไรมันก็จะมีเราอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ก็ก็รู้สึกว่า ก, ก็แค่รู้มันเพราะว่าจะไปทําลายความเป็นเรามันก็ไม่ใช่เพราะมันก็เป็นสิ่งตรงแต่เป็นความรู้สึกเป็เราก็ไปสร้างมันมันก็เห็นมันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็ก็เห็นว่ามันจะมีตัวเราไป ไปมีส่วนไปไปพยายามไปมีส่วนตลอดไปรู้อะไรค่ะก็แต่ก็อย่างที่ก็กลับเมื่อกี้ว่าเออหยุดพยายจะหยุดก็ไม่ได้ก็ก็เลยไม่ไ ม, ไม่พยายามดูไปอย่างที่มันเป็นนะคะก็ผิดกระช่างมันอนะไรเงี้ยก็ก็ก็แต่ก็ยังมีการช่วยเหลือตัวเองอยู่แต่แต่ก็รู้สึกว่าก็ ม, ม, ม, ม, มีมีมีมีช่วงที่ที่ที่ตอมันนะคะมันอยากเป็นไงก็ก็เป็นขึ้นมาบ้านมันดิเดียเนี่ยในการทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งที่เต้ยบอกว่าเดี๋ยวเราก็หลงลงไปร่วมเล่นลงไปคลุกเข้าไปคลุกก็ มีความรู้สึกว่ามีการช่วยตัวเองยังมีการช่วยตัวเองต่างๆเหล่าเนี้เดี๋ยวก็มันก็รู้ตัวทันความหลงว่าช่วยตัวเองเดี๋ยวก็เพ้อเพ <pe w> ก็มีตัวเราเข้าไปคุกหรือว่าตัวเราไม่คุกความจริงตรงนี้มันต้องมีปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปอีกขั้นสูงสุดขึ้นไปอีกเลยไม่ว่าทุกขณะปัจจุบันเนี่ะจะมีตัวเราเข้าไปคุกมีก็รู้สึ ก, กว่ามีตัวเราเข้าไปคุกมันก็เป็นต้องการปรุงแต่ง จะมีหลงว่ามีตัวเราเข้าไปทาอะไรมันก็เป็นสังขารพุงแตง่งหรือแม้แต่จะมีความรู้สึกว่าตัวเราไม่ไม่เข้าไปคลุกกับอะไรหรือตัวเราไม่เข้าไปมีอารมณ์อะไรในความรู้สึกว่าเป็นเราเราตัวเราล้วนแต่เป็นสังขารพุงแต่งทั้งหมดตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันแตกต่างกันมากเลยระหว่างปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นสังการบุ้งแต่งทั้งหมดตัวเราไม่มี มันก็จะกลายเป็นวิสังขารที่ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเราพยายามช่วยตัวเราแล้วเราไม่เห็นว่าไอ้ที่พยายามช่วยตัวเรามันก็เป็นสังขารปรงแต่งมันจะเกี่ยวกับช่วยตัวเราพยายามช่วยตัวเราอย่างไงก็มันเป็นสังขารปรงแต่งเพราะตัวเราไม่มีมันจะมีตัวดูดเข้าไปตัวเราหลงเผลอดูดเข้าไปหรือตัวเราพยายามไม่ถูกดูดหรือตัวเราจะเป็นตัวอิสระร้อยเดบไปอิสระ สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสังขารปรุงแตง่งผลไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าตัวเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งธรรมชาติ s? <S มีแค่สองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งมีแต่ความรู้ก็ nay, ไม่มีกริยาอาการอีกมีแต่ความรู้ก็ไม่ใช่ว่าไปไล่รู้อาการมีแต่ความรู้ว่า ทุกขริยาการที่มันไหวตัวได้ก็เพิ่มได้มีกริยาการมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสังขารฝ่ายปรุงแต่งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครเข้าไปสเวยไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่รมจะเป็นอย่างไรที่เตยบอกว่าเราไม่รู้จะทำอย่างไ็เราทำอะไรไม่ได้เราจะต้องปล่อยมันปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็น ว่าเราไม่รู้จะทำไงเพราะว่าเราทำอะไรมันไม่ได้คำพูดอันนี้มันแสงถึงในความรู้สึกตึ๊ดในใจเราว่า <c oughs> เราเนี่ยมีตัวตนมีตัวตนมีตัวตนของเราเรามีตัวตนมีตัวตนของเราเราทำอะไรมันไม่ได้เราเลยต้องปล่อยวางมันปล่อยมันไปอย่างที่มันเป็น แต่ความจริงอ่ะเราไม่มีหรอกตัวตนของเราไม่ม <ut ip> ีไม่มีตัวตนของเราเลยจริงไม่มีใครจะต้องยอมมันนะคือยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นโดยที่เหมือนกับไม่ยินยอม <te le På> เข้าใจไหมมันเหมือนกับไม่ยินยอมเลยคือแต่ต้องยอมมั น, มนก็เป็นยอมแต่ก็ต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะว่าทําอะไรกับมันไม่ได้ <S <s แต่กับเรามีคว <s> ามรู้สึกใหม่ว่า <t> ตัวเราไม่มีเลยไม่มีตัวตนของเราเพราะนั้นมันจะเป็นยังไง มันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นเพราะตัวเราไม่มีกับที่จะเราไม่เคยรู้สึกว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้จริงๆเราต้องยอมให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่เหมือนกันอันนี้ในใจของตัวลึกที่ที่พูดไปอยู่สองสาประโยคบางทีก็มีตัวเราเข้าไปร่วมเล่นที่เราไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอย่างนี้ยอย่างไรอย่างงุ่นนี้แล้วก็ไม่รู้ทํำไมกับมันก็ต้องยอมมันเป็นนี้มันเป็น หรือว่ามีคำพูดประโยชน์อื่นนี่ก็ลักษณะแบบเดียวกันนี่เนี่ยคือในแสดงว่าในใจลึกๆแมันมีตัวเราอยู่ในใจลึกๆตัวนี้ถ้ามีรู้สึกว่าในใจลึกๆมีตัวเราอยู่มีเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเราอยู่ในขันห้านี้พระเจ้าตรัสว่าจะไปยึดถือเอาขันห้าร่างกายจิตใจในเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา และไม่มีตัวตนของเราอยู่ในขันหานี้อยู่ในร่างกายจิตใจนี้แต่เรากับมีตัวตนของเรามีตัวเราอยู่ในร่างกายจิตใจนี้มีตัวเราเราเลยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องช่วยตัวเราจนสุดความสามารถเร า, เราทำอะไรกับมันไม่ได้เราเลยต้องปล่อยมันบางทีเราก็มีสติเผอไปเราเราก็เลยลงไปคุกพยายามจะช่วยตัวเราให้ไม่ลงไปคลุกไม่เข้าร่วมไปผสม ที่เราพูดทุกอย่างเนี่ยหรือเราปฏิบัติอยูย่ในทุกนาปฏิบัติมาแสดงถึงความที่เราเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาคือเรากลับไปรู้สึกว่าในขันห้าเนี่ยมีตัวเรามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนอยู่ในขันห้านี้หรือเอาขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราถ้าเราเห็นว่าขันห้าเนี่ยคือร่างกายจิตใจเนี่ย ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวเราอยู่ในกานห้าเนี่ยมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งที่มีแต่ความรู้รู้ว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราแล้วก็สังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่มีตัวเราอยู่ในกานห้ามันก็เลยมีแต่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นเองแล้วประดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้ดับไปเองไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจ ไม่ว่าจะมีสภาวะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีรู้สึกว่ามีตัวเราไปร่วมมีตัวเราจะต้องพยายามทําอะไรหรือหรือตัวเราจะต้องวิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรทำความเข้าใจพยายามติกต่อทำความเข้าใจในทุกขณะปัจจุบันใจมันก็รู้สึกไปตลอดเวลาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารเป็นสังขารที่เป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าอย่างนั้นสังขารทั้งหลายก็คงเป็นไปอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่มีใครต้องพยายามไปไปทนกับมันต้องพยายามที่ว่ายอมปล่อยมันไปอย่างที่ไม่ค่อยจะยินยอมพร้อมใจนักเข้าใจไหมพอทวนหน่อยสิว่าเราไปจะไงจะไปจะไปจะไงเข้าใจแล้วนะ เ, เราจะเห็นว่าเราจะปฏิบัติยังไงไอ้ของเกา่าของใหม่ที่ก่อนที่จะฟังดวงตาแล้วฝังของตาเสร็จแล้วเข้าใจแล้วไปยังไงล ของเก่าก่อนฟังขณะฟังและหลังฟังจบแล้วเป็นยังไงทวนใหม่ให้เห็นว่าไม่ว่าเราไม่ว่าจะมีความคิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เห็นว่ามันเป็นสังขารบูรณาตนะค้ับความความรู้สึกเป็นตัวเราหรือว่าสิ่งสิ่งที่เราไปรับรู้ทั้งหมดนีคยเป็นสังขารบูรงแตงไม่มีไม่มีเราอยู่มัน เพราะว่าเดิมแต่เดิมมันไม่มีเราเฉันมันก็ไม่มีไม่มีตัวเราที่ที่จาเป็นจะที่ที่จะต้องไปถูกกำจกัดเพราะว่าเดิมมันไม่มีเราอยู่แล้วทุกอ่เนั้นถ้าเราถ้าเราไปปรงุงไปพยายามที่จะกำจัดตัวเราก็คือเท่ากับพยายามกำจัดสิ่งที่มันไม่มีซึ่งมันก็มันก็เต็นไปไม่ได้ที่เราจะเอา เอาเอาสิ่งไปพออยายามกํ า, กาจัดสิ่งที่ไม่มีในเบื้องต้นมันก็เป็นการที่เราปรุงแต่งไปกำจัดสิ่งที่มันไม่มีซึ่งมันไม่ใช่อะก็คือให้เห็นว่าทุกทุกอย่างเป็นสังสารวงแต่งความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือมี พยายามหรือสิ่งที่เราดิ้นรนขนขวายหรือความรู้สึกต่างๆ่ำใ ห, ให้ให้เห็นว่านั่นมันเป็นสังขารปูงแป้งไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันอือย่างนี้นะแค่้เห็นมันเป็นยังไงก็ให้เห็นเป็นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ตัวเราไม่มีมันก็เลย ก็ต้องเป็นแต่สิ่งใดเกิดขึ้นจริงนั้นก็ยอมดับไปเป็นธรรมาดาไม่มีใครต้องไปทําอะไรกับมันได้ไม่มีใครพยายามไปทําอะไรกับม<อ>ันได้แม้แต่ความพยายามจะไปทําอะไรกับสังขารทั้งหมดก็เห็นมันเป็นมันก็เป็นปสังขาร ม, มันก็เป็นสิ่งประดับไม่ไม่ต้องไปห้ามมันคือถ้ามันจะทําอะไรขึ้นมาขยะทําอะไรก็ให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นสังขารปรงแต่งที่ที่ปรงแต่งจะช่วยเราจะจะ จะวางจะอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่หลงไปร่วมกับมันด้วยใช่ไหมคะให้เห็นเฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ขาดเคลื่อนโดยที่ไม่หลงไปร่วมกับมันก็ไม่หลงไปร่วมหมายว่าถ้าตัวเราไม่มีแล้วจะมีใครหลงไปร่ว ม, มและไม่มีใครไม่หลงไปร่วมอ๋อถ้ามาหลงไปร่วมคืมันมีตัวเราเข้าไปแล้วือ ถึงแม้จะหลงไปร่วมมันก็เป็นสังขารแต่ความรู้สึกว่ามีตัวเราไปหลงไปร่วมไม่มีแต่ความรู้สึกว่ามีตัวเราลงไปร่วมเนี่ยอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เห็นแต่ตัวเราที่เป็นร่วมจริงๆไม่มีเพราะทุกครั้งที่รู้สึกเป็นตัวเรานัมันคือสังขารปรุงแต่งถูกใช่แต่ตัวเราที่ไปร่วมจริงๆไม่มีเพราะทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกมีตัวเราไปร่วมอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ตัวเราที่ไปร่วมจริงๆไม่มี ไม่เช่นนั้นเราจะพยายามจะช่วยตัวเราให้ไม่ไปร่วมปรุงแต่งมันเป็นสังขารที่มันจะเป็นสังขารซ่อนสังขารคือมีตัวเราไปร่วมก็เป็นสังขารเราอยากจะช่วยตัวเราให้ไม่ไปสังขารก็เป็นสังขารเป็นงั้นจะหลงสังขารหลงเล่นสังขารตลอดเลยที่หลวงปู่มั่นภูณิยะโตพ่อแม่กวดอาจารย์ใหญ่ท่านเขียนไว้ในขันทวิมุตติสมังคีธํรมะว่าสิ้นสังขารมีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริง ถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราจะหลงเรสังขารตลอดเวลาเลยเราเนี่ไปแจกใจกันนันเพียงเราเข้าใจในใจของเราแค่นี้ไนงะเพราะตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนไม่ได้พยายามไปทําอะไรเพื่อให้เราไม่มีตัวตนแต่ตัวตนของเรามันไม่มีตั้งแรก มันมีแต่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติมีแค่สอย่างนี่แหละธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้เรียกว่าสังขารธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารธรรมชาติมีแค่นี้อันตัวตนของเราอ่ะไม่มีไม่มีตัวตนของเราแต่แรกทั้งในในธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งและธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราถ้าเราเนี่ย ชัดเจนในใจของเราตลอดเวลายอย่างเนี้ยภายในใจของเรามันเป็นอย่างไรก็ตามมันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆมันไม่มีใครต้องไปทําอะไรกับมันไม่มีใครเลยต้องพยายามที่จะดึงตัวเราออกจากมันหรือพยายามจะช่วยตัวเราให้ไมนไปนติดอะไรหรือว่าพยายามจะช่วยตัวเราให้ออกมาจากอะไรให้ออกมาเปอิสระคือตัวเรามไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่า ถ้ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมามันก็เป็นสังขารพุงแต่งทั้งหมดส่วนธรรมชาติที่ไม่พุงแต่งมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความรู้ว่ามีแต่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นและสังขารทั้งหลายที่ดับไปถ้าอย่างนี้ทุกขณะปัจจุบันเน่ยทุกขณะจิตปัจจุบันอันมีกิริยาการอะไรก็ตามเนี่ย มีสภาวะทำอย่างไรมีกิริยาการอย่างไรก็ตามก็มันคืนธรรมชาติเลยคงเป็นไปอย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติไม่มีใครไปสวยไม่มีใครไปยึดหรือไม่มีใครไปแทรกแซงไม่มีใครพยายามไปทำอะไรกับมันท้า่างนั้นมันก็เป็นแต่สังขารแสดงขึ้นมาตามความเป็นจริงเลยในทุกขณะจิตปัจจุบันไ ม, ไม่ทราบจะเข้าใจไหมชัดเจนไ คิดว่าเข้าใจคนะ่ะตรงนี้ไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนผ่านเพราะว่าตรงนี้คือหัวใจเลยที่จะพ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์ในขณะปัจจุบันมันอยู่ที่ตรงนี้เลยอันตรงนี้สําคัญมากความเข้าใจขาดเคลื่อนนิดเดียวเพียงเท่านี้ความมีตัวเรากับความไม่มีตัวเราความมีตัวเราอยู่แล้วพยายามจะทาลายความมีตัวเรากับความที่รู้สึกว่าไม่มีตัวเราอยู่เลยจริงจิง มันเป็นที่ตัวเราไม่มีมาแต่แรกมันแตกต่างกันมากเลยที่ว่ากลางวันเนี่ยเราเดินไปได้ทั่วเลยในในบริเวณนี้ทั้งหมดพอตกกลางคืนเราเดินไม่ได้เพราะกลัวผีเกิดผีมีตัวตนขึ้นมาในเวลากลางคืนพอรู้สึกว่าผีมีตัวตนในเวลากลางคืนเนี่ยกลางวันเดินไปได้ทั่วเลยพอตกกลางคืนมีความรู้สึกว่าผี อาจจะมีในป่าแถวเนี้ยเลยเดินไม่ได้แล้วกลัวผีถ้าสร้างความรู้สึกว่าผีมีตัวตนเะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องสร้างกรรมวิธีทุกอย่างที่จะมาทำลายความกลัวให้หายคือทํำลายความกลัวผีคือผีไม่มีตัวตนแม้จะท่องว่าผีไม่มีตัวตนผีไม่มีตัวตนผีไม่มีตัวตนแต่ความกลัวมันไม่หายเพราะว่ามันไปสร้างไว้แล้วว่าผีมีตัวตน นัถ we ้าเราไปยาไปสร้างตะก่อนแล้วว่าเราเอาเป็นตัวตนก็เหมือนกับเราไปสร้างว่าผีมีตัวตนต่อให้เราไปสร้างกรรมวิธีกี่กรรมวิธีมาทําลายความรู้สึกเป็นตัวเราไม่สามารถทําลายได้ถ้าเราไปสร้างตัก่อนแล้วว่าผีมีตัวตนเราก็ต่อให้ท่องให้ตายต่อให้ทําความรู้สึกยังไงก็ตายไม่สามารถทํำลายความกลัวผีได้มองเข้ากว่ามีปัญญาเข้าใจว่ามันไม่มีมาแต่แรกแต่เราไปสร้างมันขึ้นมา ตัวตนของเราไม่มีแต่แรกแต่เราไปสร้างขึ้นมาเหมือนนั้นพอเราไปสร้างมีตัวตนเราพยายามทำลายหาวิธีทุกวิธีที่จะทำลายความหลงความมีตัวต hey. นของเราให้ให้มดสิ้นไปให้ได้เพราะเรารู้ว่าความรู้สึกว่ามีตัวตนมันเป็นอวิชชาเราต้องทำลายอวิชชาคือทำลายความเป็นตัวตนให้ได้เพราอเรามีความรู้สึกว่าสร้างไปสร้างความรู้สึกที่ผิดว่าอวิชชาคือเรามีตัวตนเราจะต้องทำลายความมีตัวตนให้ได้ พอเราไปสร้างผิดว่าผีมีตัวตนเราจะต้องเอาหมอผีมาปราบเอาพระเครื่องมาคล้องเอาน้ำมนต์มาขับไล่เอาแรสารพัดมามาขับไล่ผีเพราะเราไปสร้างมาก่อนเลยว่าผีมีตัวตนคันถามก็ว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นผีไหมไม่เคยแล้วมาอยู่นี่เคยเจอผีไหมไม่เคยทั้งที่ไม่เคยเจอผีเลยตั้งแต่เกิดมาแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยเจอผีแต่กลางคืนเดินไม่ได้เพราะว่า ผีมีตัวตนถ้าเราไปสร้างว่าเรามีตัวตนเราจะต้องหาวิธีกำจัผดผิดๆมาทำลายความเป็นตัวตนของเราทำยังไงละ่ะถึงจะให้ใจของเราเชื่อจริงๆว่าผีไม่มีตัวตนคือตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงคือตัวที่เราเห็นร่างเราเนี่ยเป็นตัวสมมุติอยู่ชั่วคราวที่สุดก็ดับไปทำยังไงเราจะมีปัญญาเห็นจักใจของเราจริงวา ร่างการจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ชั่วคราวไม่จ้าก็ดับไปหมดสิ้นตัวตนของเราจริงๆไม่มีถ้าเราไม่มีตัวตนะแล้วตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงแล้วเหมือนกับผีไม่มีตัวตนมันก็เดินไปได้ทั่วเลยเนี่ยไม่กลัวผีนั้นถ้าเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีทุกสังขารปรุงแต่งแล้วก็จะปรุงแต่งอย่างไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยเพราะตัวเราไม่มีแต่แรกในใจเรา นั้นสังขารทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมาในทุกขณะปัจจุบันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราสักนิดเดียวเลยว่าจะทําอะไรให้ตัวเราเป็นยังไงนั้นสังขารจะปรุงขึ้นมาอะไรในทุกขณะปัจจุบันมันก็ไม่มีใครไปทําอะไรกับสังขารนั้นเพราะสังขารก็คงเป็นสังขารไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะตัวเราไม่มีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามีเราจะต้องพยายามไปช่วยตัวเราโดยทุกวิถีทางจะทํำยังไงกับสังขารที่เกิดขึ้นเอ้าเราหลงไปอีกแล้วเอ้าเรา เราไม่รู้ส่ทานอีกแล้วเอาเราหลงอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราปล่อยวัดเดี๋ยวเาก็จะหลงเราจะต้องช่วยเราหลับพัดจะช่วยเลยแต่ยังยังยังเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราก็เชื่อไปแล้วคือเชื่อไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราน่ยมีที่เราที่เรามีอวิชากันมาทุกคนก็คือมันมันเชื่อแล้วมันก็รู้สึกด้วยว่ามันมี มันมีไปแล้วเหมือนว่ามันมีความเคยชินกับความรู้สึกเนี้ยว่าว่ามันมีทีนี้ถ้าถ้าความรู้สึกเนี้ยเราก็มองมันเป็นแค่ว่าความรู้สึกเนี้ยมันก็เป็นสังขารตรงแต่ตแล้วเราก็แค่ไม่เชื่อมันมันเราเ <tank. S 2> ชื่อว่ามันเป็นสังขารค่ะเราไปแต่เราไม่เชื่อว่าเป็นตัวเราค่ะแต่ว่าแต่มันแม้มันไม่รู้สึกก็เป็นตัวเราแ ต, แต่เราเชื่อว่ามันเป็นสังขารมันไม่ได้เป็นตัวเรา ให้เชื่ออความรู้สึกเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารแต่เราเชื่อมันอย่งตอนเนี้แหละจะงเชื่อมันอยู่บ้างไม่เชื่อมันบ้างแต่ว่าให้ให้ให้เหมือนกับล้ำลึกว่าความรู้สึกที่เราเชื่อตลอดเนี่ยมันเป็นสังขารแล้วเราก็คือจะบอกว่าไม่ให้ไม่เชื่อมันมันก็ไม่ใช่สั่งได้แต่ว่าให้รู้ว่าให้ ให้เชื่อมันอีกครั้งครับสัมทับไปว่ามันเป็นสังขารแล้วมันจะมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆทําลายความเชื่อนั้นไปไหมคะหรือว่ามันจะใช่ถูกต้องเขาเรียกโยนิสวนมรสิการคือมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่สังขารเท่านั้นที่ดับไปนอกจากสังขารซึ่เป็นทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไป เราเชื่อแล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยเราก็เห็นจริงอย่างนี้ไปเลยในใจเราว่าตัวตนของเราไม่มีไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันโผล่มามีกิริยาการใดใดไ ด, ไ ด, ได้ไม่ใช่เราทุกอยากก่างเดียวเราคือความไม่มีตัวตนก็ได้หรือตัวตนของเราไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอันที่มัมีกิริยาการขึ้นมาที่ผุดขึ้นมาในใจเราทุกทุกขณะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์อะไรก็ตามเป็นสังขารเท่งนั้น มีแต่สังขารเท่านั้นหรือมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเพราะอะไรสมุทตะจิตตัดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปเพราะพระองค์ตัดว่าสังขารทั้งหมดเป็นทุกข์สังขารทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้น จะกล่าวว่าสังขารมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นสังขารนั้นตั้งอยู่สังขารทั้งนั้นที่ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปหรือจะอาจจะกล่าวได้ว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปตัวตนของเราไม่มีไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหมดจะไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นอะไร แม้แต่วิสังขารถึงความไม่มีตัวตนก็ไม่มีใครไปยึดมันอีกว่าว่าไอวิสังขารเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็ตัวตนของเราเราเรารู้ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนก็คงเป็นความไม่มีตัวตนสังขารตุกอาการที่เกิดขึ้นยังไม่มีใครไปยึดถือก็คงปล่อยให้มันเกิดดดับดัเกิดเกิดดับดับทุกขณะปัจจุบันไม่ว่าจะปรุงละเอียดปานใดก็ตามไม่มีใครเข้าไปยึดถือ ่ถ้าไม่มีใครมายึดถือเราจะเป็นยังไงทุกขณะปัจจุบันมันพยายามติดล้นค้นหากูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกว๊กกูกิ๊กยูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกไม่ว่าจะปรุงละเอียดปานกดูกิ๊กกูกิากกลาิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กกูกิ๊กเูกิ๊กกูกิ๊กกูอียดยังไงกตามเป็นสัง๊ารทั้งหมดกิ๊ะทุกิ๊ปัจจุบัน มันก็ไม่มีใครยึดถือเลยตนนี้ไม่มีใครยึดถือตั้งขานทั้งหมดเลยพอไม่มีใครยึดถือตั้งขานทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงอือไม่เป็นยังไงเก็ไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างว่างเปล่าเพราะธรรมชาติของความว่างเปลา ม, มีอยู่แล้วกับความไม่ว่างเปล่าคือสังขารที่เกิดเกิดก ด, ดำดำ ยังแค่ไม่ไปยึดถือสังขารทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันมันก็เป็นความว่างเปล่าของมันโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่สังขารก็ยังคงเกิดเกิดดำดบในความไม่มีอะไรเกิดเกิดดำดบในความไม่มีอะไรเกิดดำก็คงไปอยู่อย่างนี้ทุกขณะปัจจุบันเนะ่ะ ไม่ว่าจะสังขารยาบสังขารละเอียดสังขารปานกลางสังขารที่เป็นกุศลอาคุศลแม้แต่กุศลออาคุศลนะทุกขณะปัจจุบันเลยไม่มีใครเสวยไม่มีใครยึดถือเลย ถ, ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่มีไม่อยู่ตัวตนของเราเราก็ต้องมีเที่ความพยายามไปทําอะไรเลยยิ่งเราพยายามเที่ความพยายามไปทําอะไรกลายเป็นเราหลงเล่นสังขารหมดเลยหลงเล่นเป็นสังขารหมดกลายเป็นมีตัวเราที่สังขารได้ก็ตัวเราไม่มีแล้วอยู่ๆก็มีตัวเรา ไปเป็นสังขารเยงเยงเยงเ ย, ยงพยายามทำอ ย, ยังนุ้ดพยายามที่หล่นค้นหาพยายามได้อะไรเป็นอะไร